สัมหัสสยองคืนหลอนเดลิเวอรี่สวัสดีครับผมมีชื่อว่าเซนมีเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังกันก่อนนอนเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วตอนนั้นผมได้ไปทำงานที่ร้านแห่งหนึ่งที่เกี่ยวกับอาหาร ซึ่งผมไม่ขอเอ่ยชื่อก็แล้วกันอยู่มาวันหนึ่งผมกับเพื่อนก็ได้ไปส่งกับข่าวที่ลูกค้าโทรมาสั่งไวตอนนั้นเป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าแล้วจากอำเภอที่ผมอยู่กับอำเภอที่ไปส่งมันก็ไม่ใช่ระยะทางใกล้ๆเลยหลายสิบกิโลเมตรอยู่ซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทางเป็นชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านของลูกค้าเส้นทางที่พวกเราไปนั้น เป็นทางที่มืดและค่อนข้างเปรี่ยวผมขับรถไปเรื่อยๆจนเห็นศาลเจ้าเก่าๆตั้งอยู่ข้างทางบรรยากาศบริเวณนั้นก็เย็นมากผิดปกติแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรขับรถต่อไปจนถึงบ้านของลูกค้าเมื่อไปถึงก็นำอาหารที่ลูกค้าสั่งไปให้และบอกกับลูกค้าว่าของที่สั่งมีอะไรบ้าง รวมราคาแล้วเท่าไหร่หลังจากที่รับเงินจากลูกค้ามาแล้วพวกเราก็ขับรถเพื่อจะกลับไปที่ร้านตอนนั้นผมกับเพื่อนก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยเมื่อมองดูนาฬิกาก็เห็นว่ามันเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วผมขับรถต่อไปอีกสักพักพอใกล้จะถึงสาลเจ้าหลังนั้นอากาศก็เริ่มเย็นขึ้นอีกอย่างผิดปกติ เหมือนกับตอนขามาแต่คราวนี้ผมมองไม่เห็นสารเจ้าหลังนั้นในขณะที่กาลังคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยอยู่ๆก็มีแสงสีขาวๆ ว, วิ่งผ่านหน้ารถไปผมกับเพื่อนตกใจมากเพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันคืออะไรผมยังไม่ทันได้พูดอะไรเพื่อนของผมมันก็พูดกันมาว่าเฮ้ย hey, เมื่อกี้มันอะไรวะ หรือว่าจะเป็นหมาวิ่งตัดหน้ารถถึงแม้ผมเองจะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรแต่ผมก็รู้ว่ามันไม่ใช่หมาอย่างแน่นอนเพราะขับไปอีกสักพักผมก็ต้องร้องด้วยความตกใจเพราะผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวผมยาวปกคลุมใบหน้าเธอยือนอยู่บริเวณต้นไม้ริมถนนแต่ต้นไม้ต้นนั้นไม่สูงมาก ยังพอที่แสงไฟจากหน้ารถจะสาดส่องไปถึงแล้วเธอก็กระโดดลงมาจากต้นไม้ห้อยตองแต่งอยู่อย่างนั้นซึ่งดูลักษณะแล้วเหมือนกับคนผูกคอตายผมช็อกมากสติแทบจะหลุดเลยทีเดียวแต่ก็พยายามตั้งสติไว้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแล้วขับรถต่อไปตลอดทาง ผมไม่ได้คุยอะไรกับเพื่อนเลยสักคำแม้ให้มันจะพูดกับผมแต่ผมก็เงียบจนกลับไปถึงร้านผมก็ถามเพื่อนว่ามันเห็นอะไรเหมือนกับที่ผมเห็นไหมเพื่อนผมมันก็ตอบเพียงแต่ว่ามันเห็นแค่อะไรบางอย่างวิ่งตัดหน้ารถเท่านั้นแต่ผู้หญิงชุดขาวที่ผมเจอมันบอกว่าไม่เห็นหลังจากวันนั้น เส้นทางสายนั้นผมก็ไม่ผ่านไปอีกเลยไม่ว่าจะเป็นตอนกลางคืนหรือว่าตอนกลางวันก็ตามบ้านพักครูวันนี้เราจะมาแบ่งปันเรื่องราวสยองขวัญเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราถึงแม้ในตอนนั้น เรายังเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรสักเท่าไหร่แต่เมื่อโตพอที่จะรู้เรื่องแล้วพ่อกับแม่ก็มาเล่าให้เราฟังว่าเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเรื่องมันมีอยู่ว่าพอ่อแม่และพี่ชายของเราประกอบอาชีพรับจ้างเกี่ยวกับการก่อสร้างต่างๆซึ่งรายได้ก็เพียงพอที่จะจุนเจือหล่อเลี้ยงครอบครัว และลูกตัวน้อยๆอย่างเราวันหนึ่งพ่อของเราก็ได้รับโทรศัพท์ว่ามีการว่าจ้างให้ไปทำงานที่ต่างจังหวัดในอำเภอแห่งหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาพ่อของเราต้อบตกลงและเดินทางไปทั้งหมดสี่คนมีพอ่อแม่พี่ชายและพี่สะใภ้ส่วนเราก็ยังเด็กอยู่ก็ฝากญาติเลี้ยงดู ช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมพอดีจึงไม่มีใครอยู่เพราะครูกับนักเรียนก็ต่างกลับภูมิลำเนาของตัวเองไปหมดด้วยที่นั่นเป็นโรงเรียนในชนบทครูที่มาสอนก็เป็นครูจากกรุงเทพเพราะครอบครัวของเราเดินทางไปถึงก็ดูหน้างานเตรียมการว่าจะทำอะไรบ้างแล้วทำอะไรก่อนจนตกเย็น ครอบครัวเราก็ต้องหาที่พักเพื่อหลับนอนพรุ่งนี้เช้าจะได้ตื่นขึ้นมาทำงานกันต่อซึ่งบ้านที่ครอบครัวของเราได้พักอยู่นั้นเป็นบ้านพักครูสองชัน้นทั้งหลังทําจากไม้ดูสภาพเก่าน่าจะมีอายุมาหลายสิบปีแล้วเหมือนกันและเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้นี่แหละเพราะทุกคน ไม่เคยรู้ประวัติเกี่ยวกับบ้านหลังนี้มาก่อนเลยในคืนแรกทุกคนนอนหลับไปได้วยความอ่อนเพลียจากการเดินทางคืนนั้นผ่านไปด้วยดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นรุ่งเช้าก็พากันไปทํางานต่อแต่ในคืนนั้นเองซึ่งเป็นคืนที่สองมันก็เกิดเรื่องขึ้นขณะที่พี่ชายกับพี่สะพาย กำลังนอนเคลิมหลับอยู่ที่ชั้นล่างก็ต้องตกใจเพราะมีความรู้สึกว่าบ้านกำลังสั่นไปทั้งหลังพี่ชายลุกขึ้นมาเดินออกไปเพื่อจะหาสาเหตุว่าทำไมบ้านถึงสั่นแรงอย่างนี้ส่วนพี่สะพายก็นั่งรออยู่ที่ขอบเตียงพี่ชายค่อยๆเปิดประตูห้องออกไปทันใดนั้นเองก็เห็นเหมือนคน กำลังวิ่งขึ้นบันไดชั้นสองไปอย่างรวดเร็วพี่ชายตกใจกับสิ่งที่เห็นส่วนพี่สะพายก็รู้สึกกลัวมากคนลุกสู้ไปทั้งตัวมือเท้าเย็นเฉียบเพราะไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่คุ้นเคยห่างไกลจากบ้านแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่วิ่งอยู่ในบริเวณบ้านที่อาศัยนั้นคืออะไรพี่สะพายพยายามหันหน้าหนี แต่ก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเพราะเห็นเงาของพี่ชายค่อยๆถ อ, อยหลังกลับมาเมื่อพี่สบ้ายหันไปมองอีกครั้งก็เห็นพี่ชายกำลังตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเบรที่อยู่หน้าบ้านซึ่งมันตรงกับหน้าประตูห้องพอดีที่เปรนั้นมีชายหญิงคู่หนึ่งนั่งอยู่ในความมืด ที่แสงสว่างพอจะทําให้มองเห็นได้เพียงลางๆสักพักชายหญิงคู่นั้นก็ค่อยๆหายไปแล้วพี่ชายก็รีบปิดประตูเดินกลับมาที่เตียงส่วนพี่สะพยก็กลัวมากจนนอนไม่หลับเลยทั้งคืนเช้ามาทั้งสองก็เล่าเรื่องนี้ให้พ่อกับแม่ฟังพ่อกับแม่ก็ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นเลย จึงพากันไปถามคนแถวนั้นว่าที่บ้านพักครูหลังนี้เคยมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าจากนั้นก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ชาวบ้านคนนั้นฟังชาวบ้านจึงบอกว่าที่เห็นเหมือนคนวิ่งขึ้นลงบันไดน่าจะเป็นวิญญาณของพานลงที่นอนไหลาตายในบ้านหลังนั้นต่อมาก็มีครูสองคนที่เป็นสามีภรรยากันมาพักอยู่ แต่อยู่ได้ไม่นานก็เกิดอุบัติเหตุโดนรถชนตายคาที่ทั้งสองคนพอได้ยินดังนั้นพี่สภัายก็เข่าแทบสุดเลยทีเดียวหลังจะคุยกับชาวบ้านเสร็จพี่ชายกับพี่สภัายก็กลับมาที่บ้านหลังนั้นด้วยความกลัวและระแวงว่ามันจะมาอีกไหมคืนนี้แล้วในคืนนั้นมันก็มาอีกจริงๆ ขณะที่พี่ชายของเราหลับไปแล้วแต่พี่สะพ้ายกำลังเคลิมจะหลับ ก, ก็มีความรู้สึกว่ากำลังมีคนยืนมองหยุดตรงหน้าประตูพอลืมตามองก็เห็นเป็นชายคนหนึ่งยืนอยู่พี่สะพยกลัวมากรีบหลับตาแล้วแผ่เมตตาให้กับเขาสักพักเมื่อเธอลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็เห็นว่า ชายคนนั้นได้หายไปแล้วคืนนั้นพี่สะพยจึงได้นอนหลับไปได้วยความอ่อนเพลียจากคืนก่อนรุ่งเชา้าเธอก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้กับพี่ชายของเราฟังจากนั้นจึงพากันไปทําบุญที่วัดตั้งแต่คืนนั้นทั้งสองคนก็ไม่เคยเจอวิญญาณทั้งสามดวงนั้นอีกเลยจนทํางานให้กับโรงเรียนเสร็จ แล้วเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยต้นไม้ใหญ่ข้างทางสวัสดีครับเพื่อนๆและพี่น้องทุกคนผมชื่อเล็กครับผมติดตามช่องสัมภาษณ์สยองมาจนถึงตอนนี้ก็หนึ่งปีแล้วครับวันนี้ผมได้มีโอกาสที่จะมาเล่าประสบการณ์สยองของผม ที่มันได้เกิดขึ้นจริงให้เพื่อนเพื่อนและพี่น้องทุกคนได้รับฟังกันเรื่องมันเกิดขึ้นสมัยที่ผมยังคงเป็นเด็กตอนนั้นผมมีอายุ12ขวบเท่านั้นเองเป็นเด็กบันนนออาศัยอยู่กับพี่ชายกับคุณแม่ส่วนคุณพ่อไปทำงานที่ต่างประเทศผมกับพี่ชายมักจะชอบขี่รถมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นรถคู่ใจของพี่ชาย ไปเที่ยวหมู่บ้านนอนหมู่บ้านนี้เป็นประจำจนวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันพระใหญ่คนแถวบ้านผมจะเรียกวันพระใหญ่นี้ว่าวันปล่อยผีซึ่งตอนเชา้าผมกับพี่ก็จะไปทําบุญที่วัดในหมู่บ้านหลังจากทาบุญเสร็จพี่ชายผมก็ชวนผมไปหาเพื่อนของเขาอีกหมู่บ้านหนึ่ง ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านของผมไปประมาณสมกิโลเมตรได้ผมตอบตกลงไปพี่ผมเป็นคนขี่รถส่วนผมนั่งซ้อนท้ายระหว่างที่ขี่ไปผมสังเกตเห็นว่าบ้านคนเริ่มน้อยลงและห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆจนสองข้างทางมีเพียงแต่ป่าเท่านั้นขี่มาได้อีกสักพักสายตาผม ก็มองเห็นต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นนั้นผูกผ้าสามสีแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรจนพี่ชายขี่รถผ่านตรงจุดนั้นไปแล้วก็มาถึงบ้านเพื่อนของพี่พวกเราสองคนจอดรถอยู่ที่หน้าบ้านแต่เข้าไปไม่ได้เพราะประตูหน้าบ้านล็อกไว้พี่ชายผมจึงตะโกนเรียกไอ้กันไอ้กัน มึงอยู่บ้านไหมวะเปิดประตูให้กูหน่อยสินเสียงของพี่ชายได้ไม่นานก็มีเสียงตอบกลับมาอยู่ไกลๆแล้วก็มีคนเดินออกมาจากในบ้านเปิดประตูให้ใช่แล้วครับคนนั้นคือพี่กันเพื่อนของพี่ชายผมนั่นเองพี่การกล่าวทักทายผมกับพี่วัดดีตัวเล็กผมยกมือไหว้สวัสดี แล้วพี่กันก็หันไปพูดกับพี่ชายผมมึงมาได้ยังไงเนี่ยพี่ชายผมจึงตอบไปว่ามาเที่ยวเล่นบ้านมึงเนี่ยแหละไม่รู้จะไปไหนจากนั้นพี่การก็พาเราทั้งสองคนเข้าไปในบ้านไปนั่งเล่นคุยกันก่อนพอเข้าไปในบ้านแล้วก็นั่งคุยกันไปพี่ชายผมก็เลยเสนอว่าเล่นเกมกันดีกว่า ขณะที่พี่การกําลังจะถามว่าเล่นเกมอะไรพี่ชายผมก็ตอบกลับไปก่อนว่าเกม PlayStation 2ซึ่งในตอนนั้นเป็นเครื่องเล่นเกมยอดนิยมรุ่นล่าสุดที่มีวางขายกันแล้วพี่การตอบตกลงแล้วก็พาผมกับพี่ไปนั่งเล่นเกมกันพวกเราเล่นเกมกันเพลินจนเวลาผ่านไปถึงหทุมครึง่ง เมื่อเห็นว่ามันดึกมากแล้วผมก็เลยชวนพี่ชายกลับเพราะกลัวแม่จะดุหลังจากที่บอกลากันเสร็จผมกับพีก็ขี่รถออกมาจากบ้านหลังนั้นโดยมีพี่ผมเป็นคนขี่และผมเป็นคนซ้อนเหมือนเดิมเราสองคนขี่รถไปเรื่อยจนถึงต้นไม้ใหญ่ที่มีผ้าสามสีผูกอยู่ตอนนั้นไม่รู้อะไรดนใจ ผมจึงเหลือบไปมองที่กระจกรถของพีแล้วก็เห็นว่าผมไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวที่ด้านหลังของผมนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวผมยาวปิดตาข้างหนึ่งเอาไว้ส่วนดวงตาอีกข้างของผู้หญิงคนนั้นเป็นสีขาวหมดไม่มีตาดำผมจ้องมองผู้หญิงคนนั้นในกระจกปากก็พูดอะไรไม่ออก ด้วยความกลัวผมจึงขยับตัวเข้าไปใกล้พี่ชายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พี่ชายจึงด่าผมว่าเฮ้ยจะขยับมาทําไมกันนักหนาวะผมได้แต่บอกกับพี่ผมว่าให้รีบๆขีร่รถรีบไปเร็วๆในตอนนั้นเองผู้หญิงคนนั้นก็เข้ามาพูดข้างๆหูผมว่าเจอรีบไปไหนล่ะ เสียงที่เย็นยเยือกนั้นทำให้ผมขนลุกแล้วตะโกนเสียงดังบอกกับพี่ว่าพี่ขี่รถให้เร็วกว่า น, นี้หน่อยผมไม่ไหวแล้วถึงแม้พี่ชายจะสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็ไม่ถามอะไรผมในตอนนั้นพี่รีบขี่รถให้เร็วขึ้นไปอีกจนกลับมาถึงบ้านก็เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าแล้ว พี่ชายผมก็เลยถามผมว่าเป็นอะไรเจออะไรทำไมผมถึงตัวสั่นไปหมดแต่ผมพูดอะไรไม่ออกพี่ก็เลยไปเรียกแม่ให้มาดูอาการผมพอแม่มาถึงที่ผมอยู่แม่ก็หันไปถามพี่ชายผมว่าพาใครมาด้วยพี่ผมทำหน้างงแล้วตอบแม่ไปว่าพาใครมาแม่ไม่มี แล้วแม่ก็พูดว่าอ้าวแล้วผู้หญิงที่ยืนอยู่ใกล้ๆน้องนั่นล่ะเพราะพี่ผมได้ยินก็รีบวิ่งไปหยิบสร้อยพระมาเพื่อเอามาคล้องคอให้ผมจากนั้นก็พาผมไปยังห้องของพี่บอกว่าถ้าเกิดอะไรก็ให้บอกพีแล้วเขาก็เดินไปเดินมาผมจึงล้มตัวลงบนที่นอนแล้วก็พล่อยหลับไปรุ่งเชา้า ที่ผมก็ชวนผมไปวัดพอไปถึงก็นําเรื่องนี้ไปเล่าให้หลวงพ่อฟังเมื่อหลวงพ่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็พูดออกมาว่าเขาเคยมาขอส่วนบุญเพราะผลจ ก, กรรมหนะักที่ได้ฆ่าตัวตายจึงต้องวนเวียนชดใช้กรรมอยู่อย่างนั้นแล้วตอนนี้เขาก็ยังตามโยมอยู่ตั้งแต่นั้นมา ผมก็ได้ตัดสินใจทำบุญให้กับเธอคนนั้นทุกครั้งที่มาที่วัดจนผมอายุได้ส8ปดปีก็ได้มีโอกาสนำเรื่องนี้มาเล่าให้กับคุณพ่อฟังเพราะพ่อผมได้ฟังท่านก็บอกว่าตอนที่พ่อยังเป็นหนุ่มๆต้นไม้ใหญ่ที่ผูกผ้าสามสีนั้นมักจะมีคนไปผูกคอตายอยู่บ่อยๆตายไปไม่รู้กี่คนแล้ว ทำให้ที่ตรงนั้นเฮียนมากลางค่ำกลางคืนไม่มีใครกล้าผ่านไปยังเส้นทางนั้นกันหรอกสมผัดสยอง